Book 2 1สิบเอดเวนปมิเดือนเมเนชีมกราคมยัถุนาิสกุมภาพันธ์กุมาพิส มีนาคมมร р т เมษายนพฤษาคมน ม, มิถุนายนยูนิสมีอยู่หกเดือน เดือนอิรเชิเมนชิมักกะลาคมกุมพาพันธ์มีนาคมมกรารมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษรีลิสุายนเมยนิ กระกะดาคมยูลียสสิงหาคมออคุสกันยายนเซปเทมบริสตุลาคมออคโตบริสพฤศจิกายน หนุเวนริสธันวาคมเดซ e ซมบรสและยังมีอีกหกเดือนด้วยเทียตอริอิรเซชิเมนชิกระกดาคมสิงหาคมกันยายน j ู l ิสออคติสเ s ปเทมบริสตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอ็อกต o เบอร์สนัวเวมบริสและเดซเซมบร